มริการทุกคนหลับกันไปด้วยความเราเหยื่อรยแรงไม่มีคนใดเข้ามารบกวนสมาธิของเขาในด้านชวนพูดคุยซักถามใดๆอีกทั้งสิ้นแม้แต่เชิดบุตรรับพินเรียกคนของเขาทั้งสี่เข้ามากรรมชับสั่งการกำหนดหน้าที่เวียนยามซึ่งจะต้องมีการกวดขันเป็นพิเศษโดยเฉพาะการแอบออกไปนอกบริเวณแคมป์กลางดึกของพวกลูกหาบทั้งหลายเพื่อกิจหนักเบาส่วนตัว ทุกคนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลอกออกไปตามลําพังโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะมีเพื่อนและได้รับการรู้เห็นจากเขาหรือบุญคําคนใดคนหนึ่งโดยถ้าจําเป็นก็ให้มาปลุกเพื่อรู้ไว้ก่อนว่าจะมีการปลีกตัวออกไปทําธุระนอกแคมป์และกําหนดให้คนทั้งหมดนอนรวมกลุ่มกันอยู่ใจกลางปริมณฑลเป็นสามกลุ่มกลุ่มละห้าคนรายรอบตําแหน่งที่พักนอนของฝ่ายนายจ้าง เพื่อการตรวจสอบนับจํานวนได้โดยง่ายแล้วก็ให้ทุกคนพักผ่อนได้ทันทีภายหลังนัดแนะสั่งการเสร็จตนเองนั่งสูบบุหรี่ใบตองแห้งอยู่ริมกองไฟตรงหน้ามีลายแทงเก่าแก่ดั้งเดิมของมังมหานรธากลางอยู่พินิษครครวญแผนที่โบราณ น, นั้นอย่างใช้ความคิดหนักบัดนี้เขาไม่สนใจกับแผนที่ทางอากาศของฝ่ายนายจ้างอีกต่อไปแล้ว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 ส่งควันกรุนมาให้แล้วในเงาตะคุ่มเบื้องหลังออกไปอีกเล็กน้อยตาคําก็นั่งกอดเขาอยู่เหมือนต่อไม้ทั้งคู่คงจะนั่งเฝ้าดูเขามาเป็นเวลานานแล้วอย่างเงียบงียบสุภาพบุรุษไพรรับถ้วยกาแฟมาพร้อมกับยิ้มให้คนของเขาทั้งสองแล้วยักหน้าเป็นสัญญาณให้เข้ามาหาตาคาจิงคลานเข้ามานั่งใกล้ๆในขณะที่จันก็นั่งขนาบอีกข้างหนึง่ง นี่ยังไม่นอนกันอีกเหรอจันบุญคำก็เป็นห่วงนายอะ่ะเห็นหนั่งคิดหวยเบอร์อยู่คนเดียวมานานแล้วรวมครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเป็นไงงวดหน้าจะออกอะไรตะคำพูดเบาๆหน้าตาเฉยอ้าปากหาววอดเออเรามันก็ดีอยู่ตรงข้อนี้เลยนะตะคำจะเป็นจะตายยังไงก็ขอให้มีอารมณ์สนุกเข้าไว้ก่อนเอาล่ะ ทั้งสองคนนี่แหละถ้ายังไม่นอนก็มานั่งคุยกันก่อนก็ได้จันกับพี่คานะ่ะเห็นนายนั่งดูลายแทงเก่านะ่นอยู่นานแลนา น, านายท่าทางนายก็คิดหนักไม่เป็นสุขเลยจันพูดมาอย่างกังวลตาที่มองดูเขาเต็มไปได้วยความอาทรรักใคร่พักดีพรนยานใหญ่ยิ้มขรึมๆตบไหล่มือซ้ายของเขาหนักๆอืมจัน์ ฉันประมาทไปหน่อยในครั้งนั้นและไม่คิดว่าเราจะต้องมาเสี่ยงตายเดินในเส้นทางนี้อีกแล้วตลอดทั้งชีวิตนี้ในเที่ยวขากลับก็เลยไม่ได้ทำแผนที่แน่นอนเอาไว้ก็เลยต้องมาอาศัยแกะลายแทงเก่านี่อยู่อีกว่าแต่จันกระบุนคำพอะจะจำทางที่เราเดินกลับได้ไหมมันเป็นทางลัดมากแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรมากนักต่างก่าเที่ยวขาไปตามลายแทงนี่มากทีเดียว สมุนซ้ายขวาของเขามองหน้ากันนิ่งคิดไปพักใหญ่จันก็ถามไปทางลูกพี่ว่าจันก็พอจะจำได้มั่งนิดหน่อยเท่านั้นแหละนายพิคคำนะแม่นไหมตาคำเอามือลูบหัวหยิกขอดไว้ด้วยเส้นผมของแกเอ้ขาก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเหมือนกันแล้วว่าไอ้จันตะเดินไปเดินไป ค่อยๆสังเกตสังกาไปก็น่าจะจำได้มั่งจุดใหญ่ๆมันพอมีให้จำได้มั่งเหมือนกันนี่ว่ะแล้วแกก็เอามือจับเข่าเจ้านายถามว่าทำไมนายคิดว่าไอเรือบินของฝรั่งมันตกอยู่ในเส้นทางนี้แน่หรอนายไม่ได้คิดหรอกแต่เขาเว้นระยะนิดหนึ่งดีดก้นบุหรีใบตองแห้งเข้าไปในกองไฟ แล้วยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบแต่ฉันแน่ใจเลยแหละว่ามันต้องอยู่ในดินแดนหลังเทือกเขาพระศิวะนน อ, อ้้พุทโธธัมโมขอโตตาเท้าพื้นพรันออกมาเบาๆเอามือโปะอยู่กลางกระบาลจันนิ่งงันไปอีกนิดใจหนึ่งตาจับอยู่ที่เขาแน่วหนิ มรกนครของแง่ทรายเหรอนายนใช่ถ้างั้นถ้างั้นเราก็ต้องตรงไปที่นั่นทั้งทั้งที่ไม่คิดกันว่าจะต้องหวนกลับไปอีกอย่างนั้นเหรอนายน mics? ใช่เราต้องไปจันไปเพื่อคณะไหนจ้างของเราเห็นชัดกับตาเพราะเราสัญญากับเขาไว้แล้วว่าจะต้องค้นหาให้พบไอ้ส่วนหลังจากพบแล้วเขาจะเอากลับคืนไปได้หรือไม่ยังไงอะ่ะ มันหมดหน้าที่ของเราที่จะต้องรับผิดชอบแล้วไปก็ไปนายไปที่ไหนจันพิคัมรีเ่เด็กๆพวกเราทุกคนก็ตามนายไปทุกแห่งแล้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนายแต่เห็นนายมานั่งกุมขมับคิดหนักอยู่นี่มันเรื่องอะไรล่ะนายจันถามมาอีกเบาๆฉันก็กำลังคิดหาทางที่มันร่นระยะหรือทางลัดที่สุดไง เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันมากมายโดยการเดินไปตามลายแทงนี่เหมือนครั้งที่แล้วรพินพูดชัดเจนแช่มช้าแต่แผ่วเบาเอาดินสอชี้ลงไปในแผ่นลายแทงเราจะหาทางเลี่ยงทะเลสาบมรณะนี่เลี่ยงภูเขานิลักการของวายาหลีกลุมอุกาบาต ท, ที่หนึ่งที่สองแล้วก็ที่สามโดยตัดตรงเข้าหาเนินพระจันทร์เลยเพื่อย่นทาง เพราะฉะนั้นฉันถึงได้ถามจัน์กับบุญคําไงว่าพอจะจําเส้นทางขากลับของเราในครั้งนั้นได้บ้างไหมนายเดินไปดูไปเดี๋ยวก็จําทางได้เองแหละนายบุญคําบอกมาง่ายๆอย่างคนไม่คิดอะไรมากอันเป็นปกตินิสัยของแกไอเทีวเขาดวงดาวดวงตะวันก็ความที่เคยผ่านไปก่อนแล้วจะช่วยเราค่อยๆจําได้เองแหละ บุญคําน่ะดูลายแทงของนายไม่เป็นหรอกเห็นมีกันนายกับไอ้แง้สายสองคนเท่านั้นแหละที่อ่านออกสําหรับลายแทงแผ่นนี้แต่บุญคําดูดาวจาระเข้กับดาวลูกไก่ออกว่าหัวหางมันหันไปทางไหนทำาเอกหมอกไม่บังแปลว่านายต้องการตรงดิงก็าหาเนินพระจันทร์ให้ได้เลยเลรอกนับจากนี้ไปอ่ะอืถูกต้องมุ่งเนินพระจันทร์โดยใช้วิธี ทางลัดให้มากที่สุดระพินย้ำคำหนักแน่นยังตัดสินใจไวแล้วแน่วแน่เออนายและทีนี้ถ้าไปถึงเนินพระจันทร์แล้วละ่ะจันทร์เอ่ยขึ้นอย่างรอบคอบระมัดระวังหางเสียงไม่วายกังวลนายก็คงรู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าสมัยที่เราไปครั้งนั้นน่ะมันได้เวลาพอดีกับข้อกําหนดของลายแทง ขึ้นห้าขั้มเดือนสิองจันซี่วทำมุมกระสันเขาทางด้านตะวันตกทำให้เรามองเห็นเส้นทางตัดขึ้นเทือกประสิวะมือซ้ายของระพินกล่าวค้างไว้เพียงแค่นั้นจอมพรานพยักหน้าช้าๆใช่ถูกต้องตามข้อกำหนดของลายแทงฉบับนี้ระบุไว้แน่ชัดว่าต้องเป็นวันเวลาดังกล่าวไว้แล้วนั้นดว จึงจะมองเห็นเส้นทางขึ้นโดยกำหนดไว้ด้วยข้อความที่ว่าเป็นพระศิวะฉายแสงขึ้นเมื่อใดถันพระอุมาจะปรากฏให้เห็นแต่การมาของเราคราวนี้ถึงยังไงมันก็ไม่ตรงกับเวลาที่กาหนดไว้ในลายแทงเพราะว่าฉันก็มีความมั่นใจนะมั่นใจว่าถ้าเราได้ไปถึงเนินพระจันทร์ตำแหน่งนี้เมื่อไร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 ถึงแม้การเวลาจะไม่ตรงกันอันมีอยู่เพียงคืนเดียวในรอบหนึ่งปีแต่ฉันก็เชื่อนะว่าฉันพอจะจำเส้นทางขึ้นไปถึงถนนพระศิวะได้ถูกขอแต่ให้ไปถึงเนินสาคัญนี้ก่อนเท่านั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของบุญคำกระจันก็คือช่วยกันคิดค้นคลำเส้นทางไปจนถึงเนินนี้ให้ได้เราจะปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ฉันอาจจะเป็นผู้ชี้กำหนดเส้นทางก็จริงแต่ถ้าบุญคำหริจันเห็นว่ามันคลาดเคลื่อนไปยังไงก็ขอให้ทักทวงได้ทันทีเพราะสามสายตาสามความทรงจําและสามความคิดย่อมจะดีกว่าชั้นคนเดียวเอาเป็นว่านับจากการออกเดินทางพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยแล้วให้คนแล้วให้ทั้งสองคนเอาความคิดหรือความตั้งใจของเราเนี่ยไปบอกกับเกิดแล้วก็เสยด้วย ไอ้สองคนนั่นก็อาจจะจําอะไรได้บ้างซึ่งมันก็จะช่วยประโยชน์ได้มากเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยบอกมันก็ได้ไม่ต้องไปปลุกขึ้นมาพูดให้เสียเวลาในคืนนี้หรอกครับตกลงครับนายเอาไงก็เอากันจำก็จะพยายามช่วยนายจําทางที่เราผ่านกันมาให้ได้มากที่สุดอะถึงเกิดกระเสือก็คงจะช่วยจําได้มั่งไม่มากก็น้อยนายจันรับคําอย่างเต็มใจและพยายามเป็นกําลังใจ กับเขาอย่างเต็มที่ระพินหันมาทางตาเท่าที่ยังนั่งมวนบุหรี่เฉยอยู่ถามมาว่าน่ะแล้วเราล่ะบุญคํายังไม่เห็นรับปากเลยเนีย่นายครั้งก่อนนายถึงเนินแม่มเมก่อนแล้วก็ถึงเนินพระจันได้มาคราวนี้นายถึงเนินแม่มเบลแล้วแต่ไม่ถึงเนินแม่มคริส ไม่แน่ใจเลยว่าจะถึงเนินพระจันทร์ได้ระพินตาเขียวชี้หน้าไอ้ตันนี่ปากสีตลอดเวลาวะ่ะไม่รู้จาักรกาเทศซื้ั่งเลยนี่หยุดทะเลื่องลามกแบบนี้จะทีได้ไหมนึกถองจมกองไฟนี่ซะเลยในหัวกระหม่อมนี่ไม่เคยมีความคิดอะไรเลยเหรอมีแต่เรื่องอปรรยาบาลประเภทนี้อย่างเดียวไงบุญคำอ้าปากหัวร่อแบบไม่มีเสียงแล้วหูปากลงฉับพลัน พูดเสียงต่ำๆในลำคอมาว่าใครว่าละนายเรื่องอปัยศีกบานมันเป็นเรื่องสร้างสารรค์โลกให้เกิดชีวิตชีวานนะนายถ้าบุญคำไม่มีความคิดสืบทรรีอย่างนี้สะอย่างเดียวจ้างก็ไม่มีแรงเดินตามนายมาได้แค่นี้หรอกพูดถึงเนินพระจันท์บุญคำเองก็อยากจะไปให้ถึงที่นั่นอีกขึ้นไปดูเนินบนที่สูง อุ้ยหุ่นทรงงามจับใจแท้เห็นแล้วก้าวขาแต่ไม่ออกอยากจะนอนดูอยู่บนที่สูงทั้งวันอย่างี้ยไซยุคนั้นมันก็เหลือรายมันเอาพวกเราไปวางปางพักอยู่ระหว่างร่องเนินบดีเชมองลงมาจากที่สูงถึงได้เห็นแทนที่จะซวยโอ้กลับโชคดีส่งไปเลยและตาเท่าเท่าเล่แสนกลนกบุยปากไปทางที่พักนอนของกลุ่มนายจ้า ว่าแต่พวกนั้นจะเดินตามเราไหวรึนายเห็นป่อแเปตุปัดตุเป๋กันเต็มทีแล้วป้าเดี๋ยวคนนี้เจ็บป้เดี๋ยวคนนอนไม่สบายหลัดกันนอนแอ่งแมงอยู่เรื่อยใช่ไเออไหวหรือไม่ไหวก็ต้องไปใครตายก็ฝังใครยังก็เดินจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอ่ะรพินพูดเสียงลึกบุญคําถอนใจเฮือกโคลงหัวดิก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 ขอตำแหน่งเป็นราชปูโรหิตที่ปรึกษาราชการแผ่นดินแบบเดียวก็ไอสังปามีเมียสาวสาวสักห้าร้อยคนไอแงซ้ายมันก็ค้งห้นี้ไอจนันรพินไพรวันไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิ้นเก็บแผนที่ลายแทงที่กลางอยู่แล้วลุกขึ้นเดินผลาไปทันทีจันจุปากเบาๆหันไปต่อว่าบุญคำพูดบ้าๆพิคา อะไรไม่เป็นเรื่องนายยิ่งกำลังกลุ้มใจอยู่ด้วยยังงี้ไงที่เขาเรียกว่าโตรักแดกข้าวข้าวราะเกิดนานไม่ได้เท่าด้วยความคิดมั่งเลยเฉยๆยี่ไนจันกูเห็นว่านายเครียดอยู่ตลอดเวลานะ่ะทีถึงได้ให้แกเปลี่ยนอารมณ์จะมั่งไม่มีกูคอยแยแกลเล่นให้หันเหความเครียดนายที่จะทุกข์หนักมากกว่านี้คิดๆก็สงสารกเกิดมามีกรรมแท้ มีรักก็ไม่สมรักมีของดีจะให้กินก็กินไม่ได้ต้องฝืนอดกลัน้นมีวิชาวความรู้แต่ก็ต้องมาอยู่ป่าอยู่ดงไหนๆรินเข่าแฟงแม่กูสักถ้วยหนึ่งสิตามชักจะไปเต็มทีแล้วอะเดี๋ยวมึงเฝ้าเป็นยามแรกแทนกูนะจันจะของหิบเัก่นหน่อยหมดเวรมึงจะนอนปลุกไกเสอยไก้เกิดแล้วกันส่วนกูจะอยู่เวรใกล้รุ่งว่ะ พระจากบุญคำและจันทร์รพินเดินกลับเข้ามายังบริเวณพักนอนของนายจ้างซึ่งนอนเรียงรายกันอยู่คีดกระเชิดวุฒหลับสนิทอยู่ริมซ้ายสุดถัดมาเป็นดอกเตอร์สแตนลีและจึงเป็นเบลผู้สนิทนิ่งเหมือนตายสายน้ำเกลือยังเดินเข้าเส้นเลือดขณะนี้หมดไปประมาณหนึ่งในสี่ของถุงที่แขวนอยู่โดยมีคริสตินานอนเฝ้าอยู่ใกล้ พระใหญ่ยยสำรวจคณะพักไปทีละคนสภาพของเขาเปรียบไม่ผิดอะไรกับบิดาที่จะต้องคอยสำรวจตรวจตราเอาใจใส่บุคคลใต้ความรับผิดชอบทุกคนถึงแม่ฐานะจะเป็นเพียงแค่มักคุเทศนำทางแต่โดยหน้าที่แท้จริงไม่อาจจะละทิ้งภาระรับผิดชอบดูแลทุกสุขเยี่ยงผู้นำคณะทั้งหมดไปได้ระพินเดินอ้อมมาทางด้านหัวนอนของแต่ละคน ใช้มือจับตรวจบริเวณหน้าผากและซอกคอพบว่าคิดในะปกติดีพอสมควรแต่ก็หลับอย่างไม่รู้สึกตัวเชิดบุตรนตัวรุมๆเล็กน้อยเหมือนจะมีไข้แต่ก็คงจะไม่มากนักสแตนลีก็มีอาการหนาวสั่นเป็นระยะๆะะไม่ยอมลืมตาขึ้นมาเลยเบลนนะ่ะคงไม่มีอะไรจะต้องกังวลละเพราะถูกยาเข้าไปหลายขนาดแล้วก็ตกอยู่ในความดูแลอย่างดี แล้วก็มาถึงตัวหมอจําเป็นในยามนี้คือคริสติน่าผู้นอนประสานมืออยู่ระหว่างซวงอกตาหลับพริมอยู่พอหลังมือแตะแก้มหล่อนก็เปิดเปลือกตาพร้อมกัะยิ้มให้นิดนึงขยิบขยับริมฝีปากบอกเขาเสียงแผ่วต่ำขอบคุณอ้าวนี่ยังไม่หลับหรอกเหรอฉันตื่นไวเสมอถ้าร่างกายปกติ นี่นอกจากเบนแล้วมีคนที่เริ่มจะไม่ปกติอยู่อีกสองคนนะคือด็อเตอร์สแตนลีแล้วก็เชิดบุตรถ้าคุณจะช่วยจัดการหายาให้ก็จะเป็นการดีมากแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความเห็นในทางแพทย์ของคุณด้วยละ่ะคริสติน่าดึงกายขึ้นนั่งใน ท, ทันทีขอบคุณอีกครั้งนะพินที่ช่วยมาตรวจดูพวกเราทุกคนฉันก็ไม่ทันได้สังเกตเห็นทุกคนหลับกันดี เดี๋ยวจะไปตรวจอาการให้เดี๋ยวนี้แหละว่าแล้วคริสติน่าก็ขยับอย่างแผ่วเบาตรงไปตรวจดูอาการของสแตนลีและเชิร์ดบุชแล้วก็ง่วนจัดการอะไรอยู่ตามลาพังในขณะที่รัพพินเดินผละต่อไปตรวจดูสภาพการนอนของพวกลูกหาบทั้งหลายจนทั่วทุกคนโดยไม่มองผ่านข้ามใครไปเลยแม้แต่คนเดียวรวมทั้งนับจานวนด้วย หลังจากนั้นจึงย้อนกลับมาเอ็นกายลงนอนบนกระสอบป่านที่ปูไว้ทางฝั่งขวาสุดของแถวนายจ้างที่นอนเรียงรายกันอยู่เพราะหลังของเขาราบลงกับพื้นสีรษะผาดย่ามหลังแทนหมอนคริสตินาก็คลี่ปลายผ้าหม่มขนสัตว์ผืนใหญ่แบ่งมาให้หลอนบอกด้วยน้ําเสียงแผ่วเบาให้เขาขยับเข้ามาชิดเพราะชายผ้าไปไม่ถึง ระพินปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่ประสงค์จะให้เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นหลอนห่มให้เขาทับลงไปบนผ้าผุยผืนบางๆดำเป็นขี้เป็ดของเขาแขนขวาของเขาแนบลงไปกับเนื้อเหล็กอันเย็นเยียบของ M16 ที่หลอนวางไว้ข้างกายทางด้านเขาตามปกติสภาพในการนอนของหลอนโดยหันปากลำกล้องไปทางด้านปลายเท้า หล่อนจับปืนขยับจะย้ายไปไว้ทางด้านขวาอันเป็นที่นอนของเบลแต่สุภาพบุรุษไพรวางฝ่ามือลงไปบนข้อมือของหล่อนซะ ก, ก่อนกดยึดไว้คริสให้ปืนของคุณมันวางอยู่ตรงนี้แหละถูกต้องแล้วม่ต้องใช้ปืนเป็นกำแพงกั้นทีเดียวเหรอระหว่างคุณกับฉันอะความจริงก็ไม่จาเป็นหรอกคริส ศีลกับสัตจะที่เราให้ไว้ต่อกันมันก็พอแล้วละ่ะแต่การวางปืนไว้แน่ตัวทางด้านซ้ายในเวลานอนไพรเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดอย่างที่ผมเคยสอนคุณไว้แล้วไงหากเกิดอะไรขึ้นคุณจะได้คว้ามันขึ้นมาได้เร็วกว่าอยู่ทางขวาหากว่ามันเป็นปืนยาวคือมือซ้ายจับกระโจมมือพอยกขึ้นมือขวาก็กาคอปืนแล้วนิ้วก็สอดเขา้าโกรงไกได้พอดีไง แต่มันอาจจะเกะกะแขนขวาของคุณเนี่ยทำให้คุณนอนไม่ถนัดไม่หรอกคริสไม่เกะกะหรอกตราบใดก็ตามที่ผมไม่คิดที่จะเบียดชิดคุณเกินไปนักแล้วผมก็เป็นคนนอนไม่กินเนื้อที่มากนักหรอกวางตัวลงไปตรงไหนก็เหมือนท่อนไม้ตรงนั้นแทบจะไม่กระดิกทำไมมานอนข้างชั้นตรงนี้ล่ะทำไมไม่ไป น, นอนฝั่งโ น, น้นใกล้คิด ผมก็ต้องการเฝ้าคุณในสองกรณีไงหนึ่งดูว่าคุณจะแอบลุกขึ้นกลางดึกหรือเปล่าซึ่งผมจะรู้สึกตัวทันทีแล้วก็สองคุณจะตื่นขึ้นดูเบลในเวลาที่น้ําเกลือหมดถุงหรือไม่ถ้าคุณไม่ตื่นผมก็จะต้องปลุกคุณไงอืมฉันดีใจนะที่คุณเลือกมานอนฝั่งด้านฉันทั้งทั้งที่ทุกคืนที่ผ่านมาตลอดนะ่ะ คุณจะเลือกนอนให้ห่างชั้นที่สุดแล้วชั้นทั้งๆที่เป็นผู้หญิงทแท้ๆ <c oughs> ก็มักจะถูกนอนอยู่ช <c oughs> ิดริมสุดเสมอไม่ด้านใดก็ด้านหนึง่งซึ่งคิดแล้วมันก็ไม่เป็นการยุติธรรมเลยความจริงการนอนริมที่สุดด้านใดด้านหนึ่งของคุณน่ะมันเป็นการยุติธรรมที่สุดแล้วนะคริสทำไมอะ่ะอ้าว ก็คุณเป็นคนที่นอนไวที่สุดกล้าหาญมั่นคงที่สุดแล้วก็มีสัญชาตญาณระวังภัยได้ดีที่สุดในหมู่คณะของคุณไงแต่ฉันเป็นผู้หญิงนะระพินคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือกระเทยมันก็ไม่สำคัญหรอกมันสำคัญที่สมรรถนะความสามารถเฉพาะตัวต่างหากแล้วคุณคุณนั้เป็นผู้หญิงแต่เพียงรูปร่างสรีระ แต่จิตใจของคุณนะเข้มแข็งยิ่งกว่าผู้ชายหลายคนซะอีกคุณมักจะเป็นผู้พิทักษ์คนอื่นๆไม่ใช่เป็นผู้ถูกพิทักษ์แหมเข้าใจใช้คำพูดหลอกช่นะนี่มันแปลว่าคุณปล่อยฉันช่วยเหลือตัวเองมาตลอดเวลาโดยไม่ได้สนใจจะมาเฝ้าดูแลปกป้องฉันมั่งเลยอย่างนั้นใช่ไหมอืมใช่ทำไมคุณถึงได้ถึงได้ใจร้ายกับฉันนักนะระพิน ผมก็ให้เกียรติในความสามารถของคุณมากกว่าถ้าผมมัวแต่คอยช่วยคนที่แข็งแรงแกร่งกล้าอยู่แล้วคนที่อ่อนแอกว่าคุณใครจะช่วยคุณคิดดูสิเอาละ่ะรพินงั้นใคร่ะเป็นคนอ่อนแอที่สุดในคณะของเราที่คุณว่าคุณจะต้องช่วยไว้ก่อนถ้าหากว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นคุณลองทายสิ เบนใช่ไม้มไม่ใช่อะถ้างั้นใครอ่ะคือแนนคีดไงรูปร่างเขา ใ, ใหญ่โตแข็งแรงก็จริงอะคุณแต่แก่นลึกเขาเป็นคนไม่เอาไหนเชื่องช้างุ่ม ง, ง่ามเอาตัวรอดยากในเวลาเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นแล้วก็จุดอ่อนอันตรายที่สุดก็คือความโอหังอวดดีนั่นคือความอ่อนแอของเขา จำว่คริสติน่ามีสีหน้าชงโนอยู่ในความมืดเมื่อได้ยินคำพูดประโยคนั้นแปลกนะฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณจะจำแนกพวกเราแต่ละบุคคลเอาไว้อย่างนี้แล้วคิดซึ่งดูว่าเป็นคนแข็งแรงที่สุดในสายตาของพวกเราคุณกลับดูเป็นคนอ่อนแอที่จะต้องคอยระมัดระวังไปได้ก็มีเหตุผลอย่างที่อธิบายให้คุณฟังแล้วนั่นแหละ อ่าแล้วเชิดวุฒิล่ะดายนั้นนะ่ะแทบไม่ต้องห่วงหรอกคุณเขามีสิ่งที่มองไม่เห็นคอยพิทักษ์คุ้มตัวอยู่แล้วคุณสังเกตดูได้นี่ตั้งแต่เดินทางมาคุณเคยเห็นเชิดวุฒิเจ็บป่วยได้รับอันตรายอะไรบ้างหรือเปล่าเขาแคล้วคลาดไปได้ทุกทีถึงแม่ภูเขาจะถล่มฝังเขาไว้ใต้ดินพร้อมกับคุณเขาก็มีปัญญาที่จะแสวงหาทางนาคุณออกมาจนได้นั่นแหละ ถ้าคุณเชื่อเรื่องเกณฑ์ดวงชะตาก็จงรู้ไวเ้เถอะว่าดวงของคนนั้ไม่เหมือนกันพระเจ้าไม่ดูแลมนุษย์เสมอเหมือนกันหรอกคุณมิฉะนั้นจะไม่มีคนเคราะด์ดีแล้วก็คนเคราะหร้ายเอย้ร่วมทางกับคุณเป็นนานๆา น, านี่ดูฉันจะได้ศึกษาอะไรต่ออะไรมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะแม้กระทั่งตรร ก, กศาสตร์แล้วก็ปรัชญาคริส ผมเนะ่อยู่ในโลกนี่มานานพอสมควรแล้วก็อยู่อย่างสังเกตสังการร่ำเรียนศึกษาวิเคราะห์มันมีสิ่งใหม่แปลกมาให้เราได้เรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้นนะคุณเพียงแต่ว่าเราจะรับเอามันไว้หรือไม่เท่านั้นอย่าปล่อยให้อะไรมันผ่านพ้นเราไปเฉยๆแม้แต่ความขมขื่นเจ็บปวดทุกยากที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นครูสอนเราทั้งนั้นหละคุณ คริสติน่าพลิกตัวตะแคงหันมามองเขาลืมตาใสในความมืดเฮ้ยฉันล่ะฉันเป็นคนยังไงชื่อว่าป่านนี้คุณจะศึกษาร่ำเรียนหรือวิเคราะห์ออกไปปุโปรหมดแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> คุณ น, น่ะไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยเมื่อสามารถยังซึ้งถึงจิตใจกันได้แบบนักกีฬาแล้วก็เป็นเพื่อนตายที่ดีที่สุดคนหนึ่งในสถานการณ์ขับขัน เป็นคนเคารพซื่อตรงต่อหน้าที่รักเพื่อนรักหมู่คณะรับผิดชอบคุณสมบัติอย่างเงี้ยคุณเป็นสิ่งที่ผมต้องการสำหรับผู้ที่จะมาเดินสายมรณะนี้ฉันว่าคุณเป็นนักกิตวิทยาอีกด้วยนะระพินไม่รู้สิคุณผมก็รู้แต่เพียงว่ารู้สึกยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นล่ะ ก็ไม่ได้หวังจะมาปลอบโยนเอาอกเอาใจอะไรคุณทั้งนั้นแหละเพราะมันไม่จําเป็นคุณทําอะไรไม่ถูกต้องผมก็ยังซัดเอาตรงๆซึ่งซึ่งหน้านี่แล้วก็ยังไม่เคยถนอมน้ําใจหรือแคร์อะไรใครด้วยใช่ไหมคุณก็รู้ผมเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ชอบอ้มอมค้อมอ่ะแล้วคุณพิจารณาหัวหน้าคณะของฉันนะว่าเป็นคนไง ด็อกเตอร์น่เขาได้รับเลือกมันเป็นหัวหน้าคณะของคุณนะถูกต้องที่สุดแล้วล่ะคุณเขาเป็นคนสุ ข, ขุมรอบครอบเยือดเย็นและก็มีเหตุผลเป็นคนที่ผมไม่ต้องห่วงอะไรมากถัดไปจากคุณนั่นแหละแล้วอิสเบล่ะนั่นน่ะผมเห็นว่าเธอเป็นน้องเล็กที่สุดในคณะเดินทางแต่ก็ยังดูแลง่ายกว่าคิดซึ่งเทียบแล้วกลายเป็นทารกที่สุดของคณะ นอกจากความรู้ในทางแพทย์และก็ธรณีวิทยาแล้วจะว่าไปเบลเขก็ไม่เลวนะในด้านฝีไม้ลายมือทางการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยพิบัตริรู้สึกเธอจะคล่องพ อ, พ, อพอตัวทีเดียวแหละรักษาเธอให้หายโดยเร็วนะเธอจะเป็นกำลังช่วยพวกเราได้มากจากวิชาวความรู้ที่มีอยู่อืมวันนี้เบลดีกว่าเมื่อวานเยอะและพรุ่งนี้ก็จะดีกว่าวันนี้อีก สำคัญว่าอย่าให้มีอะไรมาซ้ำเติมเขาอีกว่าแต่กางเกงของคุณอะทำไมอ่ะอ้าวก็เมื่อบ่ายวานนี้ฉันตัดขาดออกไปขาหนึ่งเห็นคุณยังทนทุเรศใส่มาจนเดี๋ยวนี้เลยพรุ่งนี้ก็ช่วยตัดออกอีกข้างมันเท่ากันสิจะได้เป็นกางเกงขาสั้นไปเลยผมไม่ยอมทิ้งมรคุณจนกว่ามันจะขาดจะนุ่งไม่ได้อะ ทำไมอารพินเสื้อผ้าคุณมีน้อยเหรอเวลาออกเดินป่านะ่ะโถคุณคุณน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนี่ไอเดินป่านั้ยิ่งมีของมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นภาระเท่านั้นพวกผมเวลาเดินป่ามีสำรองกันมาอย่างมากก็ไม่เกินสามสี่ชุดเท่านั้นแหละ ย, ยกเว้นเสื้อกันหนาวแล้วก็กันฝนอันเป็นตัวเดียวกันที่คุณจะเห็นผมใส่ในเวลากลางคืนทุกคืนนั่นแหละ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 ขอที่เริ่มจะชันขึ้นงายไปพาดไปหลังตามเดิมหลับตาลงแต่ปากพูดเรียบๆว่าแล้วคุณมีพอใช้ไหมล่ะตอนนี้พอเรามีเตรียมกันมาอย่างน้อยก็คนละโหลครึ่งแต่สงสัยนะว่ามันหายไปได้อย่างลึกลับได้ไงถ้ายัางมีพอใชก้ก็อย่าไปสนใจกันมาเลยคุณ แต่ว่าถ้าหายซะจนไม่พอใช้ก็บอกผมหมายความว่าไงระพินก็จะไปตามมาคืนให้ไงและต่อไปนี้ก็ควรจะยุติการหายได้แล้วไม่ใช่อย่างหายอยู่เรื่อยเอ๊ะฉันฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมระพินนิ่งหลอนซักมาอีก อย่างจริงจังจริงถอนใจยาวสัญญาก่อนนะเมื่อบอกแล้วจะต้องหุบปากนิ่งไม่ต้องบอกใครทั้งนั้นไม่ว่าหัวหน้าของคุณคิดเชิดบุรหรือแม้แต่เบลเองอืมอืมฉันให้สัญญ า, เ, าเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเป็นบุญคัมแอบขอโมยของคุณสองคนไปนะ แกก็ไม่ได้มีจิตทางการวิปริตอะไรหรอกแต่คงจะขโมยไปทำพิธีทางไสยศาสตร์ของแกตอนที่เราเผชิญกับการรังควานของไอ้ผีดิบมันตรเอาเป็นว่ารู้แล้วก็เงียบเงียบซะไม่ต้องไปถามแกด้วยแล้วก็ขอร้องว่าอย่าตามไปทวงคืนยกให้แกไปเลยไม่ตายเสื่อกลับไปถึงบ้านผมจะชดใช้ให้ถ้าคุณคิดว่ามันมีค่าสาหรับคุณนะ คริสติน่าลืมตาโตอาปากจะร้องอะไรออกมาอย่างลืมตัวแต่ระพินเร็วกว่าเอื้อมมือไปตะปบอุดปากหลอนเะได้ทันกระซิบเสียงเบาว่าเอาาเอะอะไปสิคุณกูซาบอกไปตามตรงแล้วไงแล้วไม่ต้องมีคำถามอะไรอีกทั้งสิ้นนะนอนซะสัญญาต้องเป็นสัญญานะคุณเมื่อเขาแน่ใจว่าหลอนจะเงียบเสียงไปได้ ก็ค่อยค่อยคลายมือที่อุดปากก อ, อกคริสตินานอนกับพริตตาทีทีอย่างประหลาดใจมึนคงพรยายใหญ่ตัดบทโดยวิธีพริกตะแคงนอนหันหลังให้ซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายในแคมป์ก็อยู่ในภาวะสงบเงียบได้ยินก็แต่เสียงไฟประทุอยู่ในกองเป็นครั้งคราวและสายลมที่พัดวีดวิวผ่านแง่หิน หนาวเยือกสถานสูวหนึ่งร้อยแปดสิณคืนเดียวกันนี้เองคณะของฝ่ายเชษทาวราริตภายใต้การนำของเจ้าด้วนก็ได้มาหยุดพักแรมหยุดท่ามกลางความทึบทมึนของป่าดงดิบซึ่งมียอดไม้สูงทะยานเยี่ยมฟ้าแผ่ปรกกิ่งใบคลุมไว้จนมองไม่เห็นดาวเดือน นานอินและอนุชาเป็นผู้กำหนดบริเวณอันเป็นแหล่งน้ำรับในวงแวดล้อมของดงเถาวันขนาดเคืองเป็นที่วางแคมป์เมื่อเวลาสิบแปดนาฬิกาเสร็จเมื่อตรวจสอบแหล่งน้ำอันทับถมอยู่ด้วยใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นลงมาหมักหมมจนน้ำเป็นสีชาว่าเป็นน้ำที่พอจะอาศัยได้ภายหลังใส่ ย, ยาฆ่าเชื้อโดยไม่มีพืชหรือสิ่งปฏิกูลอื่นใดที่เป็นพิษเจือปนอยู่ ก่อกองไฟลุกชนขึ้นสามมุมเพื่ออาศัยไออุ่นขับไล่พวกแมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานที่จะมาก่อความรำคาญบริเวณพื้นด้านล่างลงไปเป็นแท่นหินขนาดใหญ่ภายหลังทดลองปัดกวาดใบไม้เกลื่อนเหล่านั้นออกไปซึ่งเป็นชยภูมิที่ดีกว่าพื้นดินชื้นแฉะอันมักผ่านพบกันมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มบุกดงกันเข้ามาจากเวลาบ่าย เป็นที่พิสูจน์ได้ว่าการนำทางของเจ้าด้วนมีประสิทธิธภาพยิ่งเหมือนมันจะรู้ว่าในสภาพไหนที่กลุ่ ม, มนุษย์สามารถจะอาศัยเป็นแหล่งพักพิงได้และยิ่งเมื่อมีนานอินเป็นคนคอยช่วยสังเกตตรวจสอบอยู่ด้วยเช่นนี้อีกชั้นหนึ่งทั้งคณะก็พอจะไว้วางใจได้ว่าตำแหน่งพักแรมคืนสำหรับราตรีนี้ย่อมไม่มีที่ไหนจะเหมาะสมไปกว่านี้อีกแล้ว โดยระยะเวลาที่มีอยู่จำกัดซึ่งไม่สามารถจะยืดการเดินทางเพื่อแสวงหาที่เหมาะสมไปกว่านี้ได้อีกแล้วกิ่งและลำต้นของเผาวันใหญ่ที่คดเคี้ยวขมวดพันราวกับลวดลายกระหนกอันธรรมชาติสร้างสรรไว้กลายเป็นที่ผูกโยงผ้าเขามาทำเปรนอนได้อย่างสบายของพวกลูกหาและบางคนก็สามารถจะจัดหาที่นอนแวดล้อมบริเวณพัก ของเจ้านายได้บนกระเช้าเถาวันอันเปรียบเสมือนเตียงสปริงรองรับอย่างดีซึ่งมีอยู่ทั่วไปจะมีก็แต่เพียงเจ้าด้วนอยู่ร่วมขบวนด้วยเพียงตัวเดียวย่อมเป็นที่ไว้วางใจได้ว่ามันจะเป็นยามระวังเหตุให้ได้เหนือกว่ามนุษย์ที่เกณฑ์ป่ามาแล้วเป็นอย่างดีสักสิบคนก็ไม่ปานเพราะไม่ว่าอะไรที่จะแพ้พานเข้ามาใกล้ที่พัก มันย่อมจะโต้สัมผัสได้ในทันทีตามสมรรถภาพของช้างป่าและตัวมันเองโดยสันดานนอกจากความแสนรู้แล้วก็ยังเป็นนักต่อสู้ตัวฉกาศอีกด้วยเมื่อกองไฟลุกโชนเมื่ออาหารประทังชีพมื้อสุดท้ายแห่งวันผ่านพน้นทั้งสิบหกชีวิตก็เข้ามานั่งล้อมวงผิงไฟก่อนที่จะเข้านอน ดาริยังพวงกังวลอยู่กับเจ้าช้างโทนคู่บารมีของหล่อนอยู่พยายามสั่งเสียมันไม่ให้เร้นตัวแยกไปไหนภายในคืนนี้หล่อนพูดกับมันในขณะที่มันลงไปยืนแช่อยู่ในแหล่งน้ำซับเอางวงดูดน้ำพ่นใส่หลังตัวเองนี่อย่าไปไหนนะลูกนะอยู่แถวแถวนี้แหละนี่ คุณลูกก็จะไปไหนก็ไม่เป็นไรหรอกสำหรับคืนนี้สำคัญว่าคุณแม่จะขึ้นขอแอ บ, บชักชวนกันไปประพาดพงไพรกลางดึกนี่สิมันไม่เหมาะนะักมานี่มีเสียงหนักๆดังมาจากด้านหลังแล้วใครคนหนึ่งก็คว้าต้นแขนหล่อนมับลากดึงให้เดินตามมาด้วยนำกลับเข้าไปในบริเวณกองไฟที่พักพวกรออยู่ก่อนแล้ว เป็นพี่ชายกลางนั่นเองขณะที่จับตัวน้องสาวนําเดินเข้ามาก็พูดต่อไปว่าไอป่าที่พักอยู่นี่มันน่ากลัวมากนะน้อยไงไงก็อย่าชะล่าใจนักสิแล้วก็อย่าไปเรียกมันว่าลูกเดี๋ยวมันโกรธเอารวยซะด้วยว่ามันอาจจะเกิดก่อนเธอซะอีกนาเอา้าทำไมจะเรียกไม่ได้ก็น้อยรักเขาเหมือนลูกแล้วถ้ามีลูก ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะรักเท่าเจ้าด้วนหรือเปล่าเรื่อง เ, เรื่องอายุน่ะไม่ต้องพูดถึงหรอกไงไงก็มาเทียบกันไม่ได้ระหว่างช้างกับคนน่ะพี่กลางนี่ชอบยุ่งกันน้อยจะจริงเชีเวลาน้อยจะไปเข้าใกล้เจ้าด้วนน่ะหญิงสาวฉุนนิดๆพยายามจะสะบัดแขนออกแต่อนุชาก็คงรวบต้นแขนไว้มั่นไม่ยอมปล่อยครึ่งลากครึ่งจูงเอาตัวกลับเข้ามาในบริเวณกองไฟ ซึ่งมีพักพวกนั่งดื่มกาแฟกันอยู่ใช่สิพี่มันยุง่งถ้าไม่ยุ่งก็คงไม่ลําบากลาบนอยู่ด้วยอย่างนี้หรอกเห็นไหมรอบด้านน่ะมิดมืดยังกระหวนรกออกไปยืนลูกจ้าลูกจ๋าอยู่ได้ไงรับรองว่าไม่ต้องสั่งเสียอะไรมากหรอกมันรู้ดีโดยธรรมชาติอยู่แล้วต่อไปนี้มันจะต้องอยู่ใกล้ๆพวกเรา ให้มันติดเธอแต่เธออย่าไปติดมันเข้ามิฉะนั้นจะคุมไม่ได้เดี๋ยวก็พากันตะลิดเปิดเปิงไปใหญ่หรอกเมื่อเข้ามาถึงระหว่างที่น้องสาวยังบนอะไรอุบอิบอยู่อดีตพรานชดก็กดไลหลให้ลงไปนั่งอยู่กลางวงชี้ถาเงยหน้าขึ้นจากหม้อต้มกาแฟส่งถ้วยไปให้น้องสาวแต่ดารินสันสศรีสระพี่ชายกลางจึงเอื้อมมารับแทน เอา้เอาๆออะไรกันอีกละ่ะสองคนเนี่ยงองแง่งอะไรกันมาเนี่ยใช้ยันผู้กำลังเขียยาเส้นในกล้องถามขึ้นอนุชาซุดตัวลงนั่งบนก้อนหินใก ล, กล้ๆยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบหัวร้อฮฮ้ยนน่์ไปยืนเรียกลูกลูกลูกอยู่ริมแอ่งน้ำนนทนดีที่ด้วนไม่พ่นน้ำใสให้นี่ทำไมไปตามลากตัวมา ดีไมด่ดีอาจลงไปขัดใครให้ช้างอีกไม่นานคนะงอุ้มช้างอาบน้ำขัดสีฉวีวันนในมันนะบ้าน้องสาวร้องออกมาเบาๆหน้าบึง้งแล้วก็หัวเราะออกมานิดนึงสวมถุงมือหนังช้าๆลวงบุรีออกมาจากอกเสื้อแจ็กเก็ตพี่ชายส่งกระติกแบรนดีให้หล่อนสั่นสีสะอีกไม่ค่ะขอบคุณค่ะ แล้วก็สบัดไลเตอร์จุดบุรีถาม ร, มรวมๆไปยังทุกคนว่ามีใครรู้สึกตะครั้นตะครอไม่เคยสบายมั่งไหมเนี่ยบอกซช่เลยนะจะได้แจกยาบรรยากาศในดงนี่ไม่เคยจะดีเลยอับชื้นแล้วก็ทึบมากหรือหรืออาจจะเป็นไข้ยง่า ย, ยาๆก็คงไม่มีใครเป็นไรหรอกน้อยตะกี้นี่นันอินก็สอบถามดูหมดแล้ว ง่างไงเดี๋ยวก่อนนอนก็ช่วยจัดการเรื่องขยินหน่อยละเห็นบ่นบนว่าปวดแผลที่ลิงกัดเมื่อบ่ายนี่ขึ้นมาอีกแล้วพี่ชายใหญ่บอกมาดารินไม่ยอมรอช้าเลยหันกลับไปทางหีบเวชพันปากก็บอกให้ชยันช่วยเรียกขยินเข้ามาเจ้ากระเรียงลมช้างกาลังผูกผ้าขม้าทํา เ, าาเปรอยู่แต่ท่าทางจะไม่สาเร็จเพราะตัวมันโตเกินขนาดผ้าซึ่งทุกคนก็สังเกตดูอยู่แล้วอย่างขันขัน ว่ามันจะมีปัญญาทำยังไงเพราะชยันตะโกนเรียกมันก็ผละเดินตรงเข้ามาหาดารินหันกลับมาสอบถามอาการแล้วส่งยาไปให้ชุดหนึ่งออากินซะแล้วก็ไม่ต้องพยายามทำเปลนอนให้เสียเวลาหรอกเดี๋ยวย้ายมานอนใกล้ๆพวกฉันตรงนี้แหละตัวเธอนะ่เอาเบอร์เรเบราผ้ า, า, า จ, จะผูกเปลก็เล็กกนิดเดียวเดี๋ยวก็ขาดพลัดตกลงมาหรอกหลอนสั่ง ขยิ่งยิ้มแห้งๆเดินกลับไปแกะผ้าขาม้าที่ผูกยึดไว้ออกตามคำสั่งโดยดีแล้วหอบยามสัมประส่วนตัวเดินเข้ามาอาศัยแอบหาที่นอนบนแท่นหินใหญ่ที่ตัวมันเองกับพวกลูกหาบเชื่อกันกวาดไว้ยึดเป็นที่ปักหลักอยู่มุมนึงอย่างสงบส ง, งยมอย่างนั่งจ้องอยู่เพราะเจ้านายยังไม่มีใครเข้าที่ประจานอนกันซักคนเชิาจึงพยักหน้าบอกมา ขยินเองน่ะเป็นคนเจ็บเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็นอนพักเถอะคืนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเวียาอะไรนะหลับให้ตลอดไปเลยขยินก็ว่าง่ายดีเหมือนกันเฉยโอกาสนอนคู้ตัวลงทันทีการเดินทางสําหรับวันนี้มันเป็นคนโชคร้ายกว่าใครเพื่อนเพราะเป็นคนเดียวที่ถูกลิงบาดเจ็บถูกลิงบาดเจ็บกัดเอาซะจมเขี้ยว นานอิงโยนกระสอบป่านมาให้อีกผืนหนึ่งให้คลุมอกลูกหาบคนอื่นๆส่วนมากยังไม่นอนก็ยังนั่งพักผ่อนกันอยู่ริมกองไฟที่ก่อไว้ในตําแหน่งต่างๆแต่ก็ไม่ห่างกันออกไปนะักเออนี่พรานชดพรุ่งนี้จะเอาไงต่อไปเนี่ยชยันถามขึ้นก็อย่างที่กำหนดกันไว้แล้วไงอนุชาพูดง่ายๆ ใช้ผ้าขนหนูลูบเช็ดไรเฟินประจมือจากฝุ่นละอองและคราบสกรปรกที่จับอยู่ก็ให้เจ้าด้วนะน่ะนำทางไปเรื่อยๆทางด้านเราก็มีหน้าที่เฉพาะคอยตรวจสอบทิศทางว่ามันจะพาเตลิดเปิดเบิงออกไปนอกลู่นอกทางที่เรากากกันไว้ก่อนหรือไม่เพียงไรถ้ามันพาบุกเข้าไปในดงดิบอันชื้นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่ยอมโลกออกภูมิม คุมเบรเทอรที่เดินได้สะดวกใช่ไหมอ่ะเราก็พากันแย่ไปหมดเท่านั้นเองด้วยนะมันเป็นช้างนะแต่เราเป็นคนสภาวะความอดทนมันต่างกันมากนะต่างเชีย่ยตายความเห็นขึ้นพีใหญ่ครับสมัยที่ผมเดินทางมากับลุงอินเพียงสองคนบางขณะเราก็มุดอยู่ในดงดิบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันตั้งร่วมเจ็ดวัน เพาต้องการจะตัดทางให้มันใกล้ที่สุดครั้งนั้นอุปกรณ์อะไรก็ไม่พร้อมสักอย่างเออโชคเข้าข้างแกนะที่รอดเส้นทางนี้ไปได้แล้วก็เข้าไปติดคุกอยู่ในมรกหรดความจริงควรจะตายเสระหว่างทางแล้วไม่มีหลักการหรืหลักเกณฑ์อะไรสักอย่างในการเดินทางของแกกับลุงอินคราวนั้นจะมีก็แค่ความบ้าระห่ำอย่างเดียวแล้วก็ดันมาจับคู่กันได้อย่างดิบดีระหว่างคนหนุ่มกับคนแก่ ชัยยันว่าเอาตรงๆก็มันไม่มีทางเลือกอะสำหรับฉันและลุงอินในยุคนั้นแต่เอาเถอะในการรับผิดชอบนำทางคราวนี้จะพยายามเสา ะ, ะแสวงหาลูกทางที่ดีที่สุดแล้วก็เข้าใจว่าเจ้าด้วนคงจะไม่นำเราบุกอยู่ในดงดิบอันทึบแบบนี้นานเกินไปนักหรอกถ้ามันแสนรู้แล้วก็ฉลาดอย่างที่น้อยว่าใช่ไหใช่ไหม คุณแม่ช้างประโยคหลังพี่ชายกลางหันไปถามน้องสาวอย่างสับพยโยดารินกำลังนั่งมองดูเปลวไฟในกองคิดอะไรอยู่คนเดียวฝืนยิ้มให้นิดนึงตอบมาเสียงแผ่วเบาว่าด้วยนะแสนรู้แล้วก็ฉลาดกว่าพี่กลางมากนักล่ะคะ่ะในป่าที่เรากำลังเดินอยู่นี่รวมทั้งเข้าใจความรู้สึกของน้อยได้ดีกว่าพี่กลางด้วย ชัยยันหัวรอกกากออกมาเมื่อได้ยินน้องสาวต่อพี่ชายอย่างสาสมกับการที่ถูกกระซ้ายยาวแย่ในเชิงเน็กเชี่ยถานั่นเพียงแต่ยิ้มแต่อนุชาจุปากบนพึมให้ตายเถอะนี่เดินกันเข้ามาลึกซะจนหันหลังกลับไม่ได้แล้วนะ่ะไม่งั้นฉันกลับดีกว่าปล่อยแม่ทํามยันตียุคใหม่คนเนี้เดินตามหาพระนลไปตามลพาพังส้เข็ ก็คงจะตามกันทันรอกนู่นในปรโลกนู่นค่ะถึงปรโลกน้อยก็จะตามค่ะมันหลายชาติหลายภพมาแล้วที่เราจะต้องมีกรรมติดตามสแสวงหากันอยู่อย่างเงี้ยโดยไม่รู้ว่าชาติไหนจะตามกันได้ทันเสียทีประโยคหลังของหล่อนเบาหิวกลืนหายเข้าไปในลำคอซึ่งไม่มีใครสามารถจะจับกระแสคำได้ถูกต้อง และในระหว่างพี่ๆกับเพื่อนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้ก็ไม่มีใครสนใจจับฟังข้อความนั้นและพากันพูดจาหารือกันไปในเรื่องแผนการเดินทางต่อไปส่วนดารินนั้นแม้กายหล่อนจะนั่งรวมกลุ่มอยู่ด้วยแต่ความคิดคำนึงล่องลอยตเตลิดไปไกลสุดที่ใครจะถ่ายได้ หล่อนไม่ได้เอ่ยอะไรโดยเข้ามาร่วมอยู่ในวงหาหรือนั้นอีกเลยนอกจากมองดูกองไฟในอาการเหม่อพวังอยู่เช่นนั้นอัคนิรุตอัคนิรุตฉันผลนักหนีเธอมาหลายสิบชาติแล้วนะฉันไม่เคยให้อภัยแกเธอเลยจากกมเวณในครั้งกระโ น, น้นแต่มา <ใน S 1> บัดนี้ ณชาตินี้ฉันอภัยให้เธอหมดสิ้นแล้วและเป็นฝ่ายติดตามเธอฉะนั้นฉะนั้นขอให้เราได้พบกันในชาตินี้เถอะสุดที่รักของจิตรางคนาระพินขณะนี้เธออยู่ที่ไหนเธอจะร่วงรู้บ้างหรือไม่ว่าในอดีตชาติไกลแสนไกลนั้น เราต่างาฟต่างมีควา ม, มาเป็นมานและเป็ น, ปนไ ป, ไปยังไงตื่นจากภาวะภวังด้วยอาการสะดุ้งน้อยเมื่อฝ่ามือหนักๆของพี่ชายใหญ่ผู้นั่งอยู่ข้างๆตกมาที่ไหลพร้อมกับเสียงทุม้มปรานีทักมาว่าอ้าน้อยเป็นอะไรไปเปล่านั่งซึมไม่พูดอะไรเลยสักคำอะดารินสะบัดหน้าไล่ความมึนงง แล้วหันไปยิ้มจิตจืดให้กับทุกคนเปล่าค่ะพี่ใหญ่นอนไม่ได้เป็นไรอะ่ะตกลงทุกคนมีความเห็นในข้อสรุปได้แล้วใช่ไหมคะเปล่าเรายังไม่ได้สรุปอะไรกันสักอย่างพี่ชายกลางบอกมาเสียงต่ำๆจ้องหน้าก็เห็นหนั่งตาค้างมองกองไฟแบบหลับในเอาแล้วละนอนงนะั้นเะ พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่แล้วกันทั้งหมดเข้าประจำที่นอนภายหลังที่พวกลูกหาบช่วยกันสูงกองไฟทั้งสามกองจนลุกโชนเสียงกระดึงที่ผูกคอเจ้าด้วนไว้นานๆนนจะแววโกรเกรขึ้นในความเงียบสักครั้งแสดงว่ามันไม่ได้ไปไหนของป้วนเปียนอยู่ในละแวกใกล้ที่พักนั่นเอง ดารินนอนอยู่ในระหว่างการขนาบข้างของพี่ชายทั้งสองปลายสุดด้านหนึ่งเป็นหนานอินและอีกด้านหนึ่งคือขยินผู้คู่หลับไปก่อนแล้วชั่วไม่นานทั้งหมดก็หลับกันไปด้วยความอ่อนเพลียในความเงียบสงัดของป่าทึบรอบด้านที่แวดล้อมอยู่ ดารินสอดประสานมือไว้กลาง อ, อกสวดมนต์ภาวนาไปหลายจบแล้วแต่ก็ไม่อาจหลับสนิทลงได้ทั้งที่ร่างกายต้องการพักในที่สุดก็ต้องอาศัยยาระงับประสาทเพื่อยุติดวงจิตอันฟุ้งซ่านกระวนกระวายในห้วงฝันอันวกนวนเป็นฝันอันหลอกหลอนทรมานความรู้สึกของหลอนอยู่เช่นเดิม กลางทุ่งหญ้าอันแวดล้อมไปด้วยขุ้นเขาตระงานเป็นทิวจรดขอบฟ้ารอบด้านหล่อนกระเสร์กระเซิงอยู่ตามลำพังคนเดียวในสภาพหลงป่าและในทันใดก็ได้เหลือไปเห็นรากของบุรุษไพรผู้นั้นเดินหันหลังให้แกลลนลักษณะของเขาเดินดุมดุมไปเบื้องหน้าโดยไม่ยินยนต์ต่อเสียงร้องตะโกนเรียกของหล่อน หลอนได้แต่ตะโกนเรียกอยู่สุดเสียงแล้วก็ออกแล่นตามหลังไปหลอนวิ่งและวิ่งแต่ร่างนั้นก็ไม่ได้สำเนียกใดๆทั้งสิ้นคงเดินในสภาพปกติไปอย่างไม่ยอมหยุดไม่ว่าหลอนจะออกแะแรงวิ่งตามหลังไปจนสุดกำลังสักเท่าใดหลอนก็ไม่สามารถจะกวดตามเขาทันทั้งทั้งที่เห็นกันอยู่ในระยะสายตาเท่านั้น จนกระทั่งตนเองหมดสิ้นเรี่ยวแรงและล้มฟุบลงมันเป็นความฝันที่ซ้ำซากซ้ำอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปหรือมิฉะนั้นก็เป็นภาพที่หลอนไปพบเขาในลักษณะที่นอนตะแคงคูกายสันเทาด้วยพิษไข้จับสันไม่ได้สติร่างกายซีดมองดวงตาปิดสนิท หลอนทลาเข้าไปกอดไว้แนบกายสั่นเขยา่าและเรียกนามเขาอยู่ระล่ำระลักข้างหูแต่ะพินไพรวันก็ยังคงสั่นเทิมด้วยพิษข่ายอยู่เช่นนั้นไม่อาจที่จะรู้สึกกายหรือแม้แต่จะลืมตาขึ้นมาเห็นหล่อนได้เชิดาอนุชาและชยันตื่นขึ้นมาพร้อมกันกลางดึกเพราะอาการดิ้นและร้องละเมอเรียกนามรพินของดาริน ทั้งสามพรวดพลาดลุกขึ้นยังชุลมุนจับตัวน้องสาวคนเล็กไว้พร้อมเขย่าเรียกแล้วอดีตท่านทูตทหารพี่ชายใหญ่ก็อุทานออกมาว่าโอ้ยตัวร้อนยังกับไฟอ่ะไข่เล่นงายน้อยเข้าแล้วใช่ดึกของคืนนี้ดารินจับไข่จริงๆหนาวจับจิตกายสั่นรัว จะไม่ได้ว่าใครต่อใครที่ตื่นขึ้นมาตรวจสอบรุมล้อมอยู่รอบตัวหล่อนขณะนี้ได้ดำเนินการลงไปยังไงบ้างเกี่ยวกับตัวหล่อนมันเป็นภาพพร่าที่ปะปนไปกับความฝันที่แสนจะโหดร้ายนั้นพี่ชายทั้งสองและเพื่อนช่วยกันรักษาพยาบาลหล่อนอย่างเต็มที่คนละไม้ละมือเท่าที่ความรู้ในด้านปฐมพยาบาลที่คนเหล่านั้นจะมีอยู่รู้สึกเหมือนกับว่า เทพาพยายามจะเรียกหล่อนเพื่อรู้สึกตัวและปรึกษาหารือกับพรรคพวกในเรื่องยาแต่หล่อนก็ไม่ได้ตอบไม่ยอมแม้แต่จะลืมตาขึ้นมานอกจากอาการสั่นเทิมของร่างกายและน้ําตาไหลพรากอาบแก้มมีใครไม่ทราบขอร้องให้หล่อนอ้าปากเพื่อกินยาแต่ดารินสันส่นศีรษะไปมาเม้มริมฝีปากไว้แน่น เอาแต่สะอื้นพวกนั้นช่วยกันพยายามอยู่พักใหญ่แต่ก็ไม่สามารถจะให้ยากแก่หล่อนได้สภาพของดาริงยามนี้เหมือนเด็กดื้อที่ไม่ยอมรับรู้รับทราบเหตุผลใดๆทั้งสิ้นไหวกายอยู่ไปมาอย่างกระสับกระส่ายร้อนรุ่มภายในแต่หนาวสั่นอยู่ด้านนอกสำเนียงเสียงที่พูดกันอย่างร้อนรนอยู่รอบกายเหมือนจะแววมาจากไกลแสนไกล ศัต์ไม่ได้ต่อมาในความมืดที่มีเปลือกตาเป็นม่านกำบังอยู่นั้นดารินเห็นเป็นแสงสีน้ำเงินนุ่มค่อยๆสว่างขึ้นทีละน้อยแล้วใบหน้าหนึ่งก็ปรากฏอยู่ท่ามกลางแสงสว่างเย็นตานั้นอาการเหมือนจะก้มลงมาจนเกือบชิดดารินชะงักการดิ้นรน ตะลึงแหลแงส า, ายนายว่าหลอนได้หลุดคำนี้ออกไปดวงหน้างามเหมือนเทพบุตรของเจ้าอาดีตคนรับใช้ประจำตัวยิ้มอย่างปลุกปลอบใจให้แกลอนครับนายหญิงแงส า, ายครับแงส า, ายฉันฉันหมดแรงฉันสิ้นหวังแนละ้ว ฉันกำลังจะละทิ้งร่างกายในชาตินี้ไปอีกแล้วฉันตามเขาไม่ทันอีกแล้วอย่าเพิ่งท้อแท้สิครับนายหญิงอย่าเพิ่งสิ้นหวังด้วยสัจจาทิศฐานที่นายหญิงตั้งไว้ด้วยกรรมที่นายหญิงชดใช้มาถึงที่สิ้นสุดนายหญิงจะต้องตามเขาจนพบในชาติพบนี้แหละครับณนะที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทิวาพบราตรีการแต่ขณะนี้นายหญิงกำลังป่วยมากนะครับและในายใหญ่กับบรรดาพี่ๆที่แสนจะรักห่วงใยต่อนายหญิงกำลังจะฉีดยายให้โปรดอย่าได้ดิ้นหรือขยับขยืขย้อนใดๆก่อนทั้งสิ้นแลวภาวะทางกายของนายหญิงจะดีขึ้นนะครับอย่าปล่อยให้ความทุกข์ระทมโทมนัสเข้ามาทำลายตนเอง สติสัมปชัญญะและความมานะบากบั่นจากยึนฐานของจิตใจและร่างกายอันแข็งแกร่งเท่านั้นะครับที่จะเป็นพานะนำนายหญิงไปสู่ความปรารถนาที่ตั้งไว้ได้ครับราชสกุลสาวแววสำเนียงเสียงทุ้มไพเราะนั้นอย่างถนัดชัดเจนที่สุดหล่อนสงบนิ่งยุติการดิ้นรนรู้สึกว่าแขนทั้งสองข้าง ถูกกดให้นิ่งอยู่กับพื้นและมีอาการเหมือนถูกมดกัดที่ท้องแขนข้างหนึ่งความร้อนวาวูบ ว, วาบเริ่มแผ่ซ่านไปทุกเซลล์ในร่างกายขับไล่ความหนาวเหน็บเยือกเย็นออกไปทีละน้อยดวงตาใหญ่คม ง, งามของแง่ายยังคงจับนิ่งเหมือนจะสะกดมาเช่นนั้น หลายมือที่ช่วยกันยึดร่างกายภายนอกของหลอนบัดนี้คลายออกความหนาของผ้าห่มคลุมทับลงมาบนร่างหลายชั้นศีรษะถูกประคองให้วางราบลงกับผ้าหนานุ่มแล้วความอบอุ่นจากไอไฟก็โชยเข้ามากระทบผิวกายสัมผัสภายนอกเหล่านี้มันลางเลือนแต่สัมผัสจากดวงจิต เป็นแผ่นภาพที่ใสและชัดเจนเหลือประมาณไงทร า, ายเธอจะทิ้งฉันไปไหนนะสําหรับคืนเนีนะ้ฉันว้าเวฉันเปลาาเปลี่ยวเหลือประมาณเหมือนหมดที่หวังที่พึ่งถูกทอดทิ้งอยู่เดียวดายในโลกร้างครับนายหญิงไงทร า, ายจะไม่ทอดทิ้งนายหญิงไปไหนหรอกครับ จะวนเวียนคอยพิทักษ์รับใช้นายหญิงอยู่ทุกขณะจิตครับจะเป็นกําลังใจให้กับ น, นายหญิงแต่นายหญิงต้องไม่ทอ้อถอยซะก่อนนะครับตอนนี้หลับเถอะครับนายหญิงของแงซรายหลับให้สนิทนะครับจะได้หายป่วยไข้และพรุ่งนี้สติปัญญากําลังใจจะกลับคืนมาเหมือนเดิม เพื่อเผชิญหน้ากับภาระหนักแห่งวันต่อไปครับหลับเถอครับเนี่ยทายมันมันฝันร้ายอยู่ตลอดเวลานะแม้แต่ในความฝันฉันก็ไม่อาจจะวิ่งตามเขาได้ทันเลยสักครั้งจะเรียกเท่าไหร่เขาก็ไม่ได้ยินไม่หันกลับมามองเลย ฉันไม่อยากจะฝันเห็นภาพอย่างนั้นน่ะมันทรมานใจเหลือเกินแง่ซายหล่อนรำพันนายหญิงครับอนุสติของนายหญิงคอยที่จะกดดันบีบบังคับนายหญิงโดยไม่รู้ตัวนะครับทำให้นายหญิงต้องฝันร้ายอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับผู้กอง จงคิดถึงเขาในแง่ดีสิครับคิดในสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับชีวิตตนเองคิดถึงความสุ ข, ส, ขสมหวังแล้วนายหญิงจะฝันดีเองนะครับผู้กองระพินยังคงรักและซื่อสัตย์ต่อนายหญิงอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาได้ไม่ว่าจะเป็นอนดีตชาติหรือปัจจุบั น, นชาติและแม้ขณะนี้ เขาก็ระทมตรมทุกอยู่ในความรักที่พลัดพรากไม่ได้น้อยไปกว่านายหญิงเลยนะครับหญิงเหรอเงาทายจิตใจเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากฉันแน่นอนนะดารินค่อยแช่มชื่นขึ้นดุดได้กระแสน้ำทิพชโลมลูกหัวใจอันระบมนั้นเงาายกม้มศีรษะลงครับเป็นความวาจริงครั บ, รบนายหญิง เป็นความจริงในชีวิตของคนคนหนึ่งที่ยากจะหาใครเสมอเหมือนในโลกนี้เท่าเๆกับเป็นสิ่งที่เทพเจ้าได้กําหนดลิขิตไว้เช่นนั้นไม่เสียแรงหรอกครับที่นายหญิงสู้สลากชีวิตออกติดตามเข้ามาในครั้งนี้อดทนรออีกสักนิดนะครับขอให้กรรมเก่าที่เคยมีต่อกันสิ้นสุดเด็ดขาดลงสักก่อนเท่านั้นนายหญิงและเขา จะได้พบกันครับแล้วแล้วอีกนานเท่าไหร่ละ่ะเงาทรา ย, ายก็คงไม่นานเกินกว่าที่ความอดทนมานะพยายามของนายหญิงจะสิ้นสุดลงนายหญิงผ่านอุปสรรคันยิ่งใหญ่ที่สุดมาได้แล้วเงาทรายผู้เฝ้าจับดูการเคลื่อนไหวของนายหญิงมาตลอดเวลานับแต่การเริ่มต้นออกติดตามในครั้งนี้ รู้สึกเบาใจขึ้นแล้วเมื่อนายหญิงสามารถที่จะกำจับมาร้ายที่ติดตามรังควานสกัดกั้นมาทุกชาติลงได้สําเร็จด้วยน้ํามือตนเองจะไม่มีมือของผู้ใดทําลายล้างมันไรลงได้นอกจากโดยน้ํามือของนายหญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วก็ขอได้โปรดรับรู้ไว้ด้วยเถอนะครับว่าการที่วิญญาณร้ายของปุโรหิตมันไรได้ถูกทําลายลงอย่างเฉียบ ขาดราบคาบในครั้งนี้เป็นผลสะท้อนช่วยให้ผู้กองรบพินหรืออัคคนิรุธพลอยพ้นวิบัติภัยไปด้วยครับแล้ ว, แ ล, วแล้วขณะนี้ขณะนี้ก็อยู่ที่ไหนล่ะเงาทรายไม่ใกล้ไม่ไกลาจา ก, จากที่นี่แหละครับเพียงแต่ม่านกำบังตายังไม่ถูกคลี่คลายเพื่อเปิดทางให้เท่านั้นเอง เงาายบอกได้เพียงแค่นี้ล่ะครับเชื่อน้องชายผู้เคยเป็นทาสผู้ซื่อสัตว์คนนี้สักนิดได้ไหมครับนายหญเธอเธอใจจะทำไงอ่ะเงาายตั้งพุทโธนุสติคมจิตให้สงบลงซะหลับโดยไม่ต้องประวัติคิดถึงสิ่งอื่นใดอีกตลอดราตรีนี้ จิตวิญญาณของแง่ทรายจะไม่ห่างไกลไปไหนครับจะอยู่เฝ้าคุ้มรักษาพิทักษ์ของภัยให้จะไม่มีฝันร้ายใดๆเข้ามากล้ำไกลอีกแล้วครับตกลงเธอคอยควบคุมดวงจิตฉันด้วยนะถ้าเธอทำได้อย่าให้มันล่องลอยตระเห ล, ลงไปไหนล่ะครับนายหญิงแง่ทรายจะขอบา ร, รมีของโกนทัญญะมหามุนี เข้ามาคุมดวงจิตนายหญิงไว้และแม้ว่าจะฝันก็ขอให้เป็นฝันดีตลอดทั้งราตรีอันยังมีอยู่อีกยาวนานนี้นะ